ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำตนเป็นคนศูนย์โดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่1มิถุนายน2546นาพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัดนี้ ที่ตัวต่อไปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงในเมขียสูตรนี่ท่านบอกว่าจเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทนะดูความแตกต่างนะข่าวที่แล้วเนี่ยเป็นตัวราคะเป็นตัวผูกพันเป็นตัวยินดีเป็นตัวพอใจแต่คราวนี้เป็นตัวพยาบาทพยาบาทนี้ถ้าจะว่าไปก็คือ ตัวผักนั่นเองนะตัวโทสะตัวโกรธตัวไม่ชอบใจตัวถือสาอะไรต่างๆแต่ตอนนี้พวกโกรธพวกพวกโกรธอะไรพวกนี้นี่มันเป็นตัวอะไรอะตัวเล็กตัวน้อยกว่าพยาบาทคือพยาบาทนี่หนักหนักขึ้นไปอีกนะไม่ชอบใจถือเอ่อถือสา ไม่ชอบใจเกลียดชังนะมันมากขึ้นมากขึ้นนะครับโกรธเสร็จแล้วก็ผูกโกรธนะเป็นพยาบาทไปนูน่นจองเวรจองกรรมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจ้าท่านบอกว่าจิตจิตเราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในลักษณะที่มันไม่ยินดีไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าให้เจริญด้วยเมตตาเมตาก็คือคืออะไร เมตตาคืออะไรให้เจริญเมตตาเนี่ยให้ทำยังไงนะให้อภัยอ่าก็ถูกแล้วเมตตาก็คือทำจิตอย่างแรกนะนะทจิตของเราเนี่ยให้มีความรู้สึกที่เห็นใจคนอื่นสงสารคนอื่นหรือคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขา นะอันนี้คือลักษณะของเมตตาแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเมตตาเนี่ยไม่ใช่แค่มโนกรรมไม่ใช่แค่วัจีกรรมไม่ใช่แค่กายกรรมนะมันต้องรวมหมดเลยมันถึงจะมีผลสูงถ้าไม่รวมหมดเนี่ยผลมันอ่อนผลมันน้อยอย่างเช่นบางคนบอกแล้วไม่ชอบใจกันอย่างเงี้ยบางคนมาตั้งตะบะ ก่อนนอนทุกคืนจะอะไรจะแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเราตั้งตบาบะเลยนะคุณคิดดูนะทุกคืนเลยจะพยายามมันก็ดีนะเ อ, อแผ่เมตตาให้ทุกคืนก่อนนอนก่อนนอนแต่พอเจอหน้าทีไรก็ยังบอกและยิ้มไม่ออกยังพูดไม่ได้ นะไอ้อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไรอะ่ะคือมันนานวันนานเดือนนานปีมากเลยบางทีอา้าวมีจริงๆแล้วไอ้อันนี้ยกมาจากเรื่องจริงบางครั้งก็เริ่มหัดสิหัดเพิ่มดีกรีหรือหัดเพิ่มพลังให้มากขึ้นคือมันง่ายที่สุดแล้วหละไอ้แค่เอาความคิดเราแล้วก็พยายามคิดดีๆกับเขาเนี่ยขนาดอย่างงี้นะแค่คิดบอกบางคนอนะ่ะคุณไปคิดสิดูสิอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปี คุณหามุมดีเขาไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเขาก็มาถือศีลเขาก็มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเขาก็มาช่วยเหลือหมู่กลุ่มคุณคิดมุมดีๆกับเขาบ้างไม่ได้เลยเหรอบางคนยังบอกเลยบอกว่าโอโหคิดไม่ค่อยออกว่าอะไรจะปานนั้นจริงๆแล้วแสดงว่าไม่อยากจะคิดต่างหากนะใช่ไหมมันแต่คิดจริงๆโถเอ้ยร้อยแปดสามารถจะคิดได้เพราะนั้น แต่ตอนนี้กำลังพูดว่าขนาดคุณตั้งใจคิดเนี่ยบางทีผลยังไม่แรงพอที่จะปรับเปลี่ยนตัวเราได้เลยนะบางทีเนี่ยผลยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คิดถึงบอกว่าคราวนี้บางทีเจอกันอย่างเงี้ยหัดยิ้มแย้มบ้างได้ไหมหัดทักทายบ้างได้ไหมแม้ว่าใหม่ๆอาจจะเสียงแข็งๆบ้างก็ตามแต่คุณหัดอ่ะคุณหัดมันบรฝืนใจเรามากขึ้น หรือถ้าพูดอีกบุมนึ่งก็คือมันบังคับตัวเราเองให้มากขึ้นแทนที่จะแหมเอาสบายๆเอาแต่คิดเอาแต่คิดมันบังคับน้อยไปนะมันเหมือนกับคุณจะฝึกออกกําลังกายเนี่ยยกน้ําหนักคุณเอาแต่ยกอน้ําหนักเล่น้อยเอาแต่ยกน้ําหนักเล่นน้อยนะไม่ยอมเพิ่มน้ําหนักให้มากขึ้นเนี่ยแล้วคุณจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ยังไงอะ่ะมันไม่มีทางแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพราะเราจะเอาแต่ยกแต่น้ำหนักเบาเบาเบาเบาอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเบาเกินไปหรือพระเจ้าท่านใช้คําว่าหย่อนหย่อนนะแม้ทําดีเนี่ยถ้าเราทําแบบหย่อนหย่อนเกินไปเนี่ยกำลังมันไม่ค่อยมีริดมันไม่ค่อยแรงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเพิ่มเพิ่มน้ําหนักให้มากขึ้นเพราะฉันคราวนี้คนที่เราไม่ชอบใจบางครั้งเออหัดมองบ้างนะไม่ใช่แหมพอ หันมาเจอเขาหน่อยสบัดหน้าไปทางอื่นเลยนะแค่หน้าตาที่ยังไม่อยากจะเห็นเลยนี่เยี่ยโอโ้โหอาการหนักมากเลยนะเพราะต้องฝึกต้องฝึกข่มจิตบังคับใจแต่บอกแล้วว่าในขณะที่เราข่มจิตบังคับใจกุนก็คิดเมตตาคุณก็คิดดีๆ ด, ด้วยนะมุมมุมดีคิดยังไงก็พยายามหาทางหาแง่ที่จะคิดขึ้นมาให้ได้แต่เพิ่มไงว่า พูดได้ก็พูดบ้างบางทีไม่ต้องอะไรมากหรอกแหมแค่เดินสวนกันทักทายกันหน่อยจเจริญธรรมกันหน่อยอะไรเงี้ยแค่นี้มันจะไปหนักนาสาหัสสาการอะไรเนี่ยเนยเนเป็นพิธีการเพิ่มเมตตานะบอกแล้วไม่ใช่เอาแต่อะไรนะอย่าอย่าคิดแต่ให้ผกงามแล้วก็อย่าพูด แต่ให้ผักงามแต่ลงมือปลูกให้ผักงามเขาวนี่นะพอเขาวนี้พอเราเริ่มหัดพูดหัดพูดไปบ้างมันจะเริ่มฝืนเริ่มบังคับใจเราได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นแม้อย่างนี้เนี่ยบางทียังไม่มากพอเลยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราจริงๆเพราะนั้นในที่สุดแล้วมันจะต้องถึงขั้นลงมือปลูกผักให้งามก็คือ ช่วยเหลือเขาได้อะลงมือช่วยเหลือสิไม่ใช่แค่เมตตาและคราวนี้จะต้องไปถึงขั้นกรุณาคือลงมือช่วยเหลือเขาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยอาตมาตอบคนที่เขามาถามว่าจะเพิ่มเมตายัางไงอาตมาก็บอกไม่ยากหรอกกูมีอะไรอร่อยๆก็แบ่งเขากินบ้งอันเนี้ยมันจะมายิ่งจริงๆจะว่าไปก็ฝืนใจเรามากขึ้นแหละแต่ อันเนี้ยถ้าคุณไม่ทำให้มันมากขึ้นอย่างนี้แล้วเมื่อไรแหละคุณจะเมตตาได้สูงขึ้นได้ได้เจริญขึ้นหรือได้มากขึ้นวันแค่เพียงแค่เรื่องความเมตตานี่นะวันมันมันต้องทาจริงๆถ้าคุณทำไม่จริงคุณจะไป ล, ะล้างจิตที่มันพยาบาทอ่ะคราวนี้มาพูดมุมพยาบาทบ้างโอ้กว่าคนเราจะพยาบาทใครได้นี่มันก็ไม่ง่ายนะอาจ ม, มาบอกแล้ว มันมันต้องสะสมนะสะสมนิสัยหรือขอพูดให้หนักๆว่าจะต้องสะสมโอ้โหสันดาลมาเลยนะถ้าพูดภาษาหนักๆเพราะถ้าโดยปกติเนี่ยเราแค่ไม่ชอบใจคนเนี่ยโอ้โหมันไม่ถึงขั้นไปโกรธรุนแรงหรือว่าไปขู่โกรธจนกระทั่งไปเป็นพยาบาทจองเวรหรอกคนเราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นง่ายๆเพราะนคนที่จะถึงขั้นพยาบาทใครนี่นะ คนนั้นต้องไปสะสมทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้อยากสะสมหรอกแต่ไปทําอย่างนั้นอยู่บ่อยๆไปทําอย่างนั้นอยู่บ่อยๆอย่างเช่นพอไม่ชอบใจใครปั๊บก็เอาแต่คิดไม่ชอบใจคิดไม่ชอบใจแล้วคิดแต่มุมลายๆคิดแต่มุมเร็วๆคิดแต่มุมไม่ดีของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยคนเนี้ยไม่ชอบใจแล้วก็ฝังลึกไปเรื่อยสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยในความที่เราไม่ชอบใจคนนั้น บางทีเนี่ยเดี๋ยวแว บ, บมาอีกล้อ้าวบางทีทํางานของของตัวเราเองอยู่เนี่ยทำไปทํามาอ้าวแวบบนึกไม่ชอบใจคนคนนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็ปรุงไปเรื่อยนะปรุงไปเรื่อยปรุงไปว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอนะหรือคราวหน้านี่จะจัดการอย่างนั้นจะเล่นงานอย่างนี้โอ้ยคิดไปเรื่อยพอนเพราะฉะนั้นคนนี้เพิ่มความไม่ชอบใจนะเป็นความเป็นโทสะเป็นความโกรธเป็นการผูกโกเป็นพยาบาทไปเรื่อย มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นอีกเืานกันรานสะสมถึงจะเป็นแล้วตอนนี้เมื่อเราสะสมจกนกระทั่งไปเป็นพยาบาทตอนนี้คุณจะใช้เมตตาแก้อัตมาถึงบอกเอาแค่ความคิดดีๆกับเขาเท่านั้นแล้วมันจะแก้พยาบาทไหวเหรอพยาบาทมันก้อนเบอเริ่มเทิมแล้วนะเพราะเราสะสมมาเยอะแต่พอคุณใช้เมตตาอ่อนๆไปแก้ พยาบาทก็อนเริ่มเพิ่มมันสู้ไม่ไหวหรอกวันเมตตาเราถึงต้องเพิ่มขึ้นต้องสูงขึ้นถึงบอกว่าไม่เพียงมโนกรรมไม่เพียงบัจีกรรมมันต้องไปถึงกายกรรมเลยคุณถึงจะล้างจิตที่มันเป็นพยาบาทพวกนี้ได้อัตามาเองเนี่ยโดยปกติมีนะไม่ชอบใจอย่างนั้นไม่ชอบใจอย่างนี้มีเยอะด้วยยิ่งสมัยก่อนยังไม่ ปฏิบัติธรรมนี่โอ้มีบ่อยมีมากแล้วก็มองคนเนี่ยมองแบบเพ่งโทษมองในแง่ลบส่วนใหญ่เราแวงไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยอะไรเพราะว่าสมัยก่อนยังยังไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมองคนมันพูดง่ายเราเรารแวงไว้ก่อนถือว่าเราระวังตัวมันจะเป็นลักษณะนั้นเราะั้นจะมองคนในแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่แต่ นานๆทีจะแบบว่ามีใครมาทําให้เราเจ็บใจจนถึงขั้นเราโกรธมากๆจนถึงขั้นเราแค้นแค้นแล้วเราก็คิดเลยนะคราวนี้มันจะเริ่มคิดปรุงไปอค่าได้ค่าโอ้โหมันคิดปรุงไปอย่างนั้นเลยนะเคยเล่าให้พวกเราฟังอนะ่ะบางทีมีระเบิดสักลูกเควียงหัวมันเลย <c oughs> อเคยคิดไปถึงอย่างนั้นแต่ถ้าถามใจเราจริงๆว่าเรากล้าไปทําอย่างนั้นไหมจริงๆไม่กล้าทํา แต่ความคิดเนี่ยโอ้โหมันคิดได้รุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะอาตมาถึงบอกในมุมเดียวกันไอ้มุมทํานองเดียวกันแต่ตรงกันข้ามเหลกี้เนี่ยคุณสามารถคิดเมตตาคุณคิดจนสูงส่งเลิศเล อ, เลอคุณก็คิดได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันคุณคิดพยาบาทจนโอ้โหก้อนมาหือมาคุณก็คิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคราวนี้ถึงบอกว่าเอาแค่ความคิดมันไม่ได้ไงเพราะความคิดอาตมาพูดบ่อยพลิกง่าย เปลี่ยนง่ายบางทีไอ้ดูดมาไอ้นี่มายิ่งใครไม่ได้หนักแน่นไม่ได้มันคงอะไรนะักเดี๋ยวก็พลิกได้ละคิดว่าดีๆเดี๋ยวก็ไม่ดีละคิดว่าไม่ดีเดี๋ยวก็ดีอา้าวแต่ตอนนี้ถ้าในมุมของพยาบาทเนี่ยแสดงว่าส่วนใหญ่คิดไม่ดีอยู่เรื่อยคิดไม่ดีอยู่เรื่อยสะสมสะสมเพราะฉะนั้นคราวนี้พอเราจะแก้พยาบาทด้วยเมตตานะมันถึงต้องโอ้โหคูต้องใช้แรง ของความพยายามเนี่ยยังสูงอาตมาถึงบอกว่าไม่ใช่แค่คิดแล้วบางทีเจอกัอนแล้วพูดจาได้พยายามพูดจาเอาง่ายๆนะคราวนี้พอเริ่มขั้นพูดจาเนี่ยคุณจะรู้เลยใช่ไหมว่าบางทีโอ้โหพอพูดไปปับ๊บเอาอีกแล้วเขาพูดอย่างนั้นกลับมาอีกแล้วเราไม่ชอบใจอีกแล้วอา้าวคุณดูนี่ในขาะตั้งจิตมาดีใช่ไหมแล้วก็พยายามจะจะพูดเพื่อเพิ่มเมตตาให้กับเขาแต่พออ้าปากค้เองอะ่ะเอาอีกแล้ว เขาสวนกลับมาในลักษณะที่เราเราเกลียดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณดูนะพอคุณจะเริ่มเมตตาวจีกรรมคุณจะเห็นได้หรือว่าก็ไม่ง่ายแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งไม่อดทนยิ่งไม่มีความพยายามนาะที่จะเพิ่มเมตตาวจีกรรมให้มากขึ้นให้จเจริญขึ้นจริงๆเนี่ยมาบอกคุณก็ไม่สํำเร็จอีก มันถึงบอกว่าต้องพยายามมากๆพยายามมาก ๆ, ๆแม้เมตตาวาจีกรรมเนี่ยนะจิตเราพยายามแล้วนะแล้วก็ต้องมาสั่งให้ออกมาเป็นวจีกรรมบอกแล้วว่าจิตมันจะพลิกอยู่เรื่อยเลยนะพอพูดไปหน่อยเดี๋ยวก็อือด่าซะดีไหม <c oughs> นะมันมันจะพลิกมาทางทางไอ้มุมลบที่เราสะสมเอาไว้เยอะๆเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยพอคุณพยายามวาจีกรรมคุณเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มดีขึ้นนะเพราะบางคนเนี่ยไปสังเกตดูสิ เราเมตตาคนเนี่ยได้แค่วัจีกรรมแต่พอจะลงมือช่วยเหลือจะอะไรจริงเนี่ยยังยังยังไม่อยากจะทำเลยอ่าจริงๆเพราะว่าบางทียังเออ พ, พูดไปแล้วจบจบไปเอา้าพูดๆแล้วก็ผ่า น, ผ, านผ่านไปเอา้านะยังรู้สึกว่าอย่างนี้ยังพอเมตากันได้แต่ให้แม้ถึงขั้นโอ้ไปช่วยเขาทางานนะไปช่วยเขาอะไรอ่ะขนของมั่ง ไปช่วยเขาเก็บกวาเช็ดถูบ้างไปช่วยเข า, เ อ, าอะไรอ่ะทำไอ้นนทําำไอ้นี่อ่ะแล้วแต่หรือแม้แต่อย่างที่จะมาบอกยิ่งแหมเรามีของอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็แบ่งให้เขากินได้นี่ถ้าถึงขั้นนี้เมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าคุณเริ่มจะทาเมตตามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมได้สาเร็จ ถ้าคุณทําได้ถึงขั้นนั้นนะแล้วคุณสามารถที่จะฝืนใจบังคับใจในขนาดเดียวการบอกแล้วสามารถที่จะใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณานะว่าทําไมเราจะต้องมาสร้างจิตให้เมตตาอย่างนี้นะเพื่อเราจะได้ละพยาบาทที่เรามีอยู่ในจิตของเราจริงๆเนี่ยโดยภาษาเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําให้เขาใช่ไหมประโยชน์คนอื่นเขาอ่ะเนี่ยมีของอร่อยอร่อยก็แบ่งให้เขากิน แต่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยแหละที่จะเป็นคนได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดไอ้ของที่บางทีให้คนอื่นเข้าไปมันไม่เท่าไรหรอกราคาหรือว่าอะไรต่ออะไรไม่เท่าไรหรอกแต่ที่สำคัญคือโอ้โหมันได้ลดไอ้จิตที่พยาบาทนะลดความเกียดชังลดความไม่ชอบใจของเราลงไปได้โอ้โหอันนี้คุณค่ามหาศาลจะว่าไปแล้วเนี่ย ทำให้ตัวเองเนี่ยมากกว่าทําให้คนอื่นด้วยซ้ำไปถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะเพราะฉะนั้นนะอันเนี้ยก็จะเป็นการที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยจะมาช่วยลดละล้างพยาบาทในจิตเราได้เพราะอย่างนี้แต่ต้องทําให้ถึงอันมีบางคนเนี่ยไปทำนิดได้หน่อยทำนิดเหน่อยพอเจออุปสรรคเจอปัญหาคือคือคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ย ไม่เป็นไปดังใจเราอีกแล้วเอาเราเริ่มอีกแล้วเราชักจะเริ่มอย่างนี้ก็ไม่ทำไอ้คาว่าไม่ทําหมายถึงว่าไม่ชอบใจต่อไปมันพอเจอหน้ากันก็คิดในแง่ลบต่อไปแล้วอย่างนี้มันจะไปเมตตาอะไรได้แล้วคนเนี้ไม่รู้ถึงสภาวะที่จะสืบต่อเขาเรียกว่าสันสติเนี่ยคือมันสืบต่อสืบต่อหมายถึงว่า จิตที่มันเนี่ยเป็นราคะเหมือนข้อที่1ก็ตามหรือเป็นพยาบาทเหมือนข้อที่สองนี่ก็ตามจิตมันจะผูกกันต่อไปอีกไม่เพียงแค่ชาตินี้เพราะมันยังสะสมอยู่ในจิตของเราผูกเป็นราคะมันก็เอา้าผูกกันไปในลักษณะที่เอา้าเจอกันก็ต้องไปรักใคร่ชอบพอนะไปยินดีกันต่อไปอีกผูกกันในลักษณะพยาบาทก็ ไปเจอกันแล้วก็โกรธเกลียดชังเพราะบางคนเห็นหน้ากันครั้งแรกเท่านั้นเองในชีวิตก็โอ้โหจะฆ่ากันแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการผูกกันด้วยพยาบาทเพราะฉะ น, นั้นอันเนี้ยเนี่ยผลมันยังจะต่อไปอีกเพราะฉะนั้นใครเนี่ยเข้าใจอันนี้ได้บางคนเนี่ยบอกว่าเข็ดแล้วเข็ดแล้วชาตินี้ไม่อยากมีผัวหรือไม่อยากมีเมียอยงี้อีกแล้วเสร็จแล้วเป็นไงจิตของตัวเองก็ยังไปผูกอยู่อีกนะบอกแล้ว ผูกเพราะความเกลียดชังก็ตามคือไม่อยากมีอย่างนี้อีกแล้วก็หมายถึงว่าว่าอเกียติที่จะไปมีสามีหรือไปมีภรรยาแบบนี้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันก็ผูกจิตที่เกียติแหมบางทีโหแค้นเคืองนะกับคนที่เคยเป็นคู่ครองของตนเอาไว้นี่ก็ไปผูกด้วยพยาบาทเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วแม้จิตอย่างเงี้ยจะไปผูก ผูกเศษชาติหน้าคุณไปเจอกันอีกคุณก็แข็งเคียงกันอีกมันไม่สามารถที่จะพ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราอยากที่จะละจิตที่ผลักนะก็ต้องใช้เมตตาซึ่งก็ฝึกบอกแล้วถ้าฝึกโดยตรงก็ฝึกกับบุคคล น, นั้นเลยแต่ถ้าโดยตรงอันนั้นบางทีจิตยังไม่แข็งพอที่จะฝึกได้ขนาดนั้นก็ฝึกกับเนี่ย ข้าวของอะไรต่างๆแต่นี้เราจะฝึกแก้พยาบาทก็คืออะไรละข้าของเครื่องใช้ไหนที่เป็นยังไงที่เราจะพยาบาทเนี <c> ่เ <oughs> ข้าของเครื่องใช้ทํานองไหนนะ <c oughs> ข้าของเครื่อง <c oughs> เครื่องใช้ทํานองไหนเออที่เราไม่ค่อยชอบอย่างเช่นเสื้อผ้าเฉยๆ <c oughs> เสื้อผ้าที่เราไม่อยากจะใส่อย่างเงี้ยนะรังเกียจ เสื้อผ้าที่เราลังเกียจแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ไม่ใช่เสื้อใครมันก็เสื้อเราอะแหละหนะแล้วมันก็การร้อนกันหนาวรัดกลุ้มได้ว่าบางทีก็หัดใส่บ้างใส่แล้วก็หัดทําจิตทําใจดูสิจะเมตตาเสื้อตัวนี้ได้ไหมฮะใส่ด้วยความที่จะรู้สึกเออมันมีดีอย่างนั้นนะมันมีดีอย่างนี้นะใส่แล้วก็การร้อนกันหนาวอย่างนั้นได้นะเนี่ย เนี่ย ค, คุณฝึกแม้แต่กับสิ่งของข้าวของก็ได้แม้จะไม่โดยตรงกับบุคคลคนนั้นก็ตามอันนี้เป็นฝึกฝึกละพยาบาทด้วยอาศัยเบตตาหรือกับอาหารการกินตมาก็เคยพูดแล้วเป็นยังไงอาหารประเภทไหน อ, อ, อาหารที่เราไม่ชอบอ่ะอาหารมันก็ดีมีประโยชน์อยู่จริงๆอ่ะเป็นอาหารที่เราขาดแคลนด้วยซ้ำไปใช่ไมก็ฝึก กินอาหารที่เราไม่ชอบแต่ในขณะที่กินไปเป็นไงแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้อาหารนั้นจะแผ่ยังไงอะฮะอะไรดีอะที่เราไม่ชอบฮะถั่วเหลืองโอ้โหอา้าวสมมติว่าถั่วเหลืองเนี่ยเราไม่ชอบเวลากินไปจะเป็นไงจะแผ่เมตตาไงจะสร้างจิตให้มีความเมตตาได้ยังไงจะคิดยังไง เออใช่ไหมเราเอาคิดถึงประโยชน์ของมันใช่ไหมว่ามันดียังไงไม่ใช่พอตอนกินไปไปคิดยังไงเขาเนี้ยแย่แย่ใช่ไหมกินไปแล้วโอโหฝืดคออ้าวคิดอย่างนี้มันจะไปรอดเหรอเพราะไ อ, ไอ้นั่นเนี่ยคือความคิดที่เราถึงลังเกียรใช่ไหมถึงเราไม่ชอบไอ้อันนั้นอ่ะเราคุณรู้ดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปปรุงมันเพิ่มคุณไม่ต้องคิดมันเพิ่มอีกถูกไหมเพราะตอนนี้เราจะแก้พยาบาท ด้วยอาศัยเมตตาที่จะแก้เพราะตอนนี้เราไม่ชอบกินถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่เป็นของที่น่ารังเกียจของเราเพราะในขณะที่เรากินเนี่ยบอกแล้วไอ้มุมลบเรารู้อยู่แล้วมันสะสมอยู่ใใจเราเยอะเยอะแยะไปหมดแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้เราพยายามคิดบุมบวกของถั่วเหลืองที่ว่ากินแล้วมันดียังไงโอ้โหมันจะแข็งแรงทําให้อา่าถ้าเป็นแผลไปอะไรนี่เลือด แห้งเร็วนะเลือดมันจะไม่ไหลออกเยอะ อ, อย่างงี้าหรืออะไรอีกถั่วเหลืองช่วยให้ระบบภายในร่างกายนะเข้มแข็ง ม, ม, มีพลังอะไรเงี้อคื อ, ค, อคิดในแง่บวกในขณะที่เรากินถั่วเหลืองนั้นนะคือพิจารณาที่มันเป็นเมตตาเข้าไปอย่างนี้จิตที่เราผูกเอาไว้ในแง่รังเกียดในแง่ไม่ชอบถั่วเหลืองมันถึงจะค่อยๆเบาลงได้ ที่เป็นพยาบาทมันถึงจะเบาลงใช่ไหมจิต ท, ที่เป็นแง่บวกที่เราสึกเออเอาละเราไม่ค่อยชอบก็จริงแต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นมันมีประโยชน์อย่างนี้นะมันดีตั้งหลายอย่างเพราะบางคนเนี่ยพอปรุงจิตคิดอย่างนี้ได้เนี่ยแง่ลบแง่ที่เป็นเห็นแต่ความไม่ดีของมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีตัวดีขึ้นมาถ่วงตัวดีขึ้นมาถ่วงยิ่งถ้าเรา กินไปแล้วแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเออจริงๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเราไม่ค่อยกินถั่วเหลืองเราก็เลยสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยขาดวิตามินขาดโปรตีนเกลือแร่ไอ้นีนน่พอเรากินไปแล้วเออดูแล้วเอเอสุขภาพเราดีขึ้นอะไรต่างๆยิ่งเห็นผลอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้แหละคุณถึงจะล้างไอจิตไม่ชอบใจนั้นออกไปได้สิ้นเกลี้ยงออกไปได้หมดคุณจะวางใจได้และคราวนี้ แต่ถ้าคุณล้างอย่างนี้ไม่ได้นะมันก็คาอยู่ในจิตคุณเพราะบางคนเนี่ยกินถูเหลืองก็จริงแต่ถ้าวันไหนนะที่คุณเนี่ยพูดง่ายว่าบังคับจิตไม่ได้คุณก็ไม่อยากกินอีกเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ล้างไอ้ตัวนี้ออกไปจริงๆตัวที่เรายังรังเกียจตัวที่เราไม่ชอบแต่ถ้าคุณล้างตัวรังเกียจตัวที่ไม่ชอบเพราะเหตุผลนั้นเพราะเหตุผลนี้เนี่ย คุณใช้เหตุผลที่ดีกว่าหรือเราเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ถูกต้องที่ดีกว่าได้แล้วแล้วนะมันก็จะล้างไอเหตุผลที่ไม่ดีที่เรามีเนี่ยออกไปได้พอมันหมดไปได้คราวนี้คุณกินได้สบายๆใช่คุณก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปอร่อยกับถั่วเหลืองนะแต่คุณจะกินได้โดยคุณไม่ทุกข์ที่ไม่ทุกข์เพราะอะไรที่ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีพยาบาท มันไม่มีจิตรังเกียจในสิ่งนั้นแม้คุณไม่รักถั่วเหลืองแต่คุณก็ไม่ทุกข์เพราะถั่วเหลืองเพราะคุณไม่มีตัวเกลียดชังอะไรถั่วเหลืองเนี่ยคุณก็ไม่ทุกข์คุณก็สามารถจะกินได้นะอันนี้ใช้เมตตาอาส่วนตัวต่อไปพระเจ้าท่านบอกว่าเจริญอาณาปานสติเพื่อละวิตกเอ่อ จะเดินอาณาปานาสติเราต้องรู้ก่อนว่าอาณาปานาสติก็จริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยข้อต้นๆจะเป็นเรื่องทำพู้ง่ายทำเจโตสมาธนี่แหละนะ่ะทำจิตให้นิ่งให้สงบโดยเรียกว่าจนถึงจุดจุดหนึง่งน่าจะเป็นอุเบขาก็ตามเนี่ยเนี่ยทำจิตให้นิ่งเลยเหมือนกับที่เราฝึกสมาธนี่แหละพองดีแล้วอันนี้อานายมาพูดแบบง่ายๆนะ คือพอจิตเรานิ่งขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราก็เอาจิตของเราตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นกลางกลางมันมันไม่ได้มีกิเลสมาครอบงำแล้วพอจิตตอนนี้มันนิ่งมันสงบดีอล้เพราะฉะนั้นเอาจิตอันเนี้ยมาพิจารณากิเลสที่เรามีกิเลสตัวไหนอะ่ะเนี่ยจะเป็นกิเลสตัวราคะจะเป็นกิเลสตัวพยาบาทหรือขาวนี้มาถึงแม้แต่กิเลสตัววิตกก็จ้ เราก็ยกขึ้นมาพิจารณาพิจารณาแล้วก็หาวิธีดับหาวิธีล้างหาวิธีแก้มันจนกระทั่งสามารถสลับมันได้อันนี้คืออาณาปานาสติคือพูดง่ายๆว่าว่าทําจิตให้นิ่งสงบก่อนแล้วก็พิจารณาล้างล้างกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตของเราแต่ตอนนี้เรากํลาลังมาล้างตัววิตกวิตกนี่แปลว่าอะไรฮะ เป็นห่วงกังวลฮะวิตกแปลว่าอะไรความคิดเหรอ อ, <c oughs> อันนั้นวิตักกะวิตกวิตกเนี่ยคือคุณจะห่วงคุณจะกังวลคุณจะอะไรมันก็คิดอยู่แล้วล่วนะ นะแต่มันคิดเปได็นยแง่จิตปรุงจิตฟุง้งแต่ไม่ใช่ราคะไม่ใช่พยาบาทแต่เนี่ยแหละจะแง่าภาษาไทยเนี่ยเรามาใช้คาว่าวิตกแปลว่าความห่วงกังวลอย่างที่พวกเราบอกมานะอันนั้นก็ด้วยก็เป็นความวิตกเป็นความกังวลเป็นความบางทีอะไรอ่ะสับสนเป็นความไม่เข้าใจเป็นความ ง, งงงงงงงงอะงเงี้ยนะมึนมึนอ่ะนะมันมันวุ่นวายวิตกเนี่ยเป็นวุ่นวายก็ได้เอานะมันมันเป็นจิตที่มันพูดง่ายว่ามันโอ้ไม่รู้อะไรอ่ะนะยิ่งวัยรุ่นเนี่ยชอบสับสนอยู่เรื่อยนะหัวใจวัยรุ่นบางคนเนี่ยแก่แล้วแต่ก็ยังชอบทาหัวใจวัยรุ่นคือชอบทเป็นงงงงสับสนกับชีวิต นะไม่รู้จะเดินไปซ้ายดีหรือจะเดินไปขวาดีนะหรือว่าเอ๊จะมาวัดดีไม่มาวัดดีนะชอบทําเป็นเมาเมาอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็ก็เป็นพวกวิตกนะแต่ตอนนี้พระเจ้าท่านบอกว่าเราจะละวิตกพวกเนี้โดยใช้อานาปานสติอาตมาบอกแล้วเฮวนอาตมาเนี่ยบางทีชอบบอกหลายๆคนที่บางทีพอเจอสภาวะสับสนบางที จะเรียนต่อไม่เรียนต่อดีจะทำงานนี้ดีหรือไม่ทำดีนะหรือว่าจะไปขอโทษดีหรือไม่ขอโทษดีอะไรเงี้ยนะวิตกอยู่นั่นนะคิดอยู่นั่นนะโอ้ปรุงอยู่นั่นนะตัดสินใจอะไรไม่ลงไปสักทีนะไอ้ตอนที่สับสนตอนที่มันกะลังลังเลตอนที่มันกะลังไม่รู้จะยังไงอะแต่เรารู้ว่าจิตเราไม่ค่อยดีละนะมันมึนๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้บางทีทำจิตให้มันนิ่งให้ได้ก่อนให้มันสงบก่อนคือไม่ต้องคิดทั้งนั้นอ่ะยังไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเลยตัดรอบเรื่องนั้นไปอาตมาชอบบอกว่าคุณไม่รู้จะเดินไปซ้ายคุณไม่รู้จะเดินไปขวาคุณไม่รู้จะเดินไปข้างหน้าดีหรือข้างหลังดีเนี่ยคุณยังไม่ต้องเดินไปไหนอ่ะคุณยืนอยู่กับที่ตรงนั้นแหละคุณยืนยืนอยู่กับที่หาจุดยืนของตัวเองที่ยืนแล้วมันมันมั่นคงได้มันแข็งแรงให้ได้ก่อน คือยืนตรงไหนยืนตรงนั้นยังไม่ต้องก้าวไปข้างไหนยืนก่อนยืนนิ่งๆทำใจให้สงบสงบแล้วคราวนี้ก็มองดูข้างซ้ายมีอะไรบ้างข้างขวามีอะไรบ้างข้างหน้ามีอะไรอ า, อาจจะมองข้างหลังมีอะไรนะแล้วค่อยพิจารณาว่าเออจะเดินไปข้างไหนดีนี้คือวิธีการของอาณาบาลนสติแต่นี่มาพูดแบบภาษาง่ายๆให้คุณฟัง มันหลายคนที่บางทีเวลาช่วงจังหวะของชีวิตเนี่ยมันเกิดสภาวะอย่างนั้นจริงๆตัดสินใจไม่ได้นะหมุนหมุนหัวบางคนคิดจนเวียนหัวเลยนะโอ้โหสับสนเพราะฉนั้นพยายามบางครั้งเนี่ยทำทำทำจิตให้มันนิ่งๆให้ได้นะหยุดคือหยุดคิดเรื่องทุกอย่างเลยเหตุผลอะไรต่างๆก็หยุดไม่ต้องคิดเหตุผลอะไรก็ช่างหัวมัน <c oughs> นะ เอาฝังไปให้หมดช่างหัวมันไว้ก่อนตอนนี้ปล่อยหมดเลยนะให้เหลือแต่ความว่างเปล่าให้จิตมันโลง่โลงๆให้จิตมันว่างๆก่อนทำตรงเนี้ยทําให้ได้ถ้าจิตมันโลง่โลงๆว่างๆได้แล้วเออจิตมันชักจะมีพลังพอจิตมันชักมีพลังนี่แหละหรือพูดง่ายว่าเริ่มมีพลังของปัญญาเริ่มมีพลังของความคิดที่จะตัดสินใจได้เกิดขึ้นคราวนี้แหละคุณถึงค่อย หวนกลับมายกเรื่องนั้นเอามาพิจารณาเพราะคราวนี้จิตมันเหมาะมันมันพอที่จะมีพลังขึ้นมาเอามาพิจารณาทบทวนซ้ายขวาหน้าหลังให้ดีพอพิจารณาแล้วคราวนี้แยกแยะดีแล้วฉับนาตัดสินใจอะไรเอาอย่างใดก็อย่างนั้นนลมันจะมีพลังในการที่ตัดสินใจแล้วมันก็จะเออเอาเอาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้หน้ามันก็จะมีพลังที่จะก้าวไปในทิศทางนั้น มันจะไม่ใช่อพ อ, อยกขาขึ้นจะก้าวไปซ้ายก็เอ้ยมาขวาดีกว่าเอ้ยไปหน้าไปหลังดีกว่านะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสับสนลังเลอย่างนั้นแล้วบางทีก้าวไปนั้นเสร็จเอาเดี๋ยวเดวถอยมาใหม่ก้าวไปทางนี้ดีกว่าคือถ้าใครเป็นอย่างนี้นี่ห่วงวิตกกังวลทุกร้อนอยู่เรื่อยๆอะจิตไม่ไม่สงบจิตไม่เป็นสุขนะนี่พูดภาษาแบบง่ายที่สุดละเออ แต่ผู้เจ้าเนี่ยท่านก็ใช้คําว่าอาณาปานสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยทําอาณาปานสติแบบเนี้สติก็คือคือตัวรู้นะตัวที่คอยรู้อยู่ว่าไอ้ตอนนี้เป็นยังไงสภาวะจิตเราใจเราเป็นยังไงบ้างให้รู้สึกตัวอยู่เรื่อยนะพอรู้ว่าอ่าตอนนี้สับสนอีกแล้วเริ่มเกิดอย่างนี้อีกแล้วรีบเรียบรบรีย บ, บหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนหยุดได้แล้ว ค่อยพิจารณาเพราะถ้าคุณยังหยุดไม่ได้เนี่ยคุณปงคุณฟุ้งไปทั้งๆ ท, ท, ที่คุณยังมึนๆคุณเมาๆอยู่นะไม่เพียงแต่คุณคิดไม่ออกเท่านะั้นะแต่หัวคุณจะแตกสัมนวนในพระไตรปิฎกเนี่ยหัวจะแตกออกเป็นเจ็เสีย้ยน